เปรียบการแสดงธรรมกับการรักษาคนตาบอดมาคันธียะเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิด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 ทำตาให้ใสไม่ได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแพทย์ผู้นั้นต้องมีส่วนแห่งความลาบากความคับแค้นมิใช่หรือใช่ท่านพระโคโดมมาคันธยะเราก็อย่างนั้นเหมือนกันหากจะพึงแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ท่านนั้นยังไม่รู้ความไม่มีโรคยังไม่เห็นนิพพาน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 ไม่ได้เห็นที่อันเสมอและไม่เสมอไม่ได้เห็นดวงดาวไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แต่เขาได้ฟังจากคนตาดีผู้กล่าวว่าพ่อคุณผ้าขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรกสะอาดสะอา้านคนตาบอดมาแต่กำเนิดนั้นเที่ยวสแสวงหาผ้าขาวชายคนหนึ่งเอาผ้าเนื้อหยาบเปื้อนน้ำมันมาลวงเขา ว, ว่าพ่อคุณผ้าผืนนี้ขาวผ่องงดงามยิ่งนักไม่สกปรก สะอาดสะอ้านเป็นของท่านเขารับผ้านั้นมาข่มมิดอมาตยาสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดมารักษาแพทย์ผู้ชำนาญ น, นั้นทำยาถอนให้ทำยาทย า, ายยาหยอดยาป้ายและยานัดให้เขาอาศัยยานั้นจึงเห็นได้ทำตาให้ใสได้พร้อมกับมีตาดีขึ้น เขาย่อมละความพอใจและความยินดีในผ้าเนื้ออยาเปื้อนน้ำมันผืนโน้นเขาจะพึงเบียดเบียนบุรุษที่ลวงตนนั้นโดยความเป็นศัตรูเป็นฆ่าศึกและจะพึงสำคัญว่าควรปรงชีวิตบุรุษที่ลวงตนนั้นด้วยความแค้นว่าเราถูกบุรุษผู้นี้ล่อลวงให้หลงผิดด้วยผ้าเนื้อหยาเปื้อนน้ำมันว่าพ่อคุณผ้าผืนนี้ขาผ่องงดงามยิ่งนัก ไม่สุขปรกสะอาดสะอา้านเป็นของท่านแม้ฉันใดมาคันธิยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันหากจะพึงแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้ท่านนั้นจะพึงรู้ความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้ท่านก็จะละความพอใจและความยินดีในอุปทานขันห้าประการพร้อมกับเกิดดวงตาคือปัญญาขึ้นอันหนึ่ง ท่านจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเราถูกจิตนี้ล่อลวงให้หลงผิดมานานแล้วเราเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นเฉพาะรูปเฉพาะเวทนาเฉพาะสัญญาเฉพาะสังขารและเฉพาะวิญญาณเท่านั้นเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีแก่เราเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณโะโศกปริเทวะทุก โทมณตอุปายาจึงมีความเกิดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ข้าพระองค์เลื่อมใสท่านพระโคดมอย่างนี้ท่านพระโคดมทรงสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะไม่เป็นคนตาบอดลุกขึ้นจากอาสนะนี้ได้มาคันธยะถ้าเช่นนั้นท่านจงคบสัตบุรุษเพราะเมื่อใดท่านคบสัตบุรุษ เมื่อนั้นท่านจะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเมื่อใดท่านได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเมื่อนั้นท่านก็จกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อใดท่านปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อนั้นท่านก็จกรู้เองเห็นเองว่าโรคฝีลูกศอนคืออันนี้โรคฝีลูกศรอนจะดับไปได้โดยไม่เหลือในที่นี้เพราะอุปท า, านของเรานั้นดับพบจึงดับ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 ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนหลังจากสีเดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุได้แต่เราทราบความแตกต่างของบุคคลในเรื่องนี้มาคันติยะปริภาชกเกรียกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้เคยเป็นอัญญะเดรธี พระสงค์จบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาสี่เดือนหลังจากสี่เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจจึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุได้ข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาสี่ปีหลังจากสี่ปีล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจก็จงให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุเถิดมาคันธิยะปริภาชก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 สันทกะสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อสันทกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโคสัมพีสมัยนั้นแลปริภาชกชื่อสันทกะกับหมู่ปริภาชกประมาณห้าร้คนพร้อมด้วยปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่อาศัยอยู่ณถ้ำปิลักขะถ้ำไม้มมเดอ ครันเวลาเย็นท่านพระอานนท์ออกจากที่หลีกเร้นแล้วเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายจะเข้าไปยังบ่อน้ําฝนซาะเพื่อจะดูถ้าภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วลําดับนั้นท่านพระอนนท์พร้อมด้วยภิกษุจํานวนมากได้เข้าไปยังบ่อน้ําฝนซาะ ดิรชานคถาสมัยนั้นสันตกะปริพาชกกำลังนั่งอยู่กับปริพาชกบริษัทหมูใหญ่ผู้กำลังสนทนาถึงดิรชานคถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอม เรื่องญาติเรื่องญาณเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบูรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลบไปแล้วเรื่องเบตเตเลตเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้นอย่างนั้นสันทกระิพาชกได้เห็นท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกล จึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึนี้คือสาวกของพระสมณะโคดมชื่อว่าอาโนนกำลังเดินมาท่านเป็นสาวกรูปหนึ่งบรรดาสาวกของพระสมณะโคดมผู้อาศัยอยู่ณกรุงโกสัมพีท่านเหล่านั้นชอบเสียงเบาแนะนำให้พูดกันเบาๆกล่าวสรรเสริญเสียงเบาบางที ท่านอานอนทราบว่าบริษัทเสียงเบาท่านอาจจะเข้ามาก็ได้ลำดับนั้นปริพาโชคเหล่านั้นจึงได้พากันนิ่ง <trochę of malicious wounds> พระอาโ น, น์นกล่าวทำมีคาถา ครั้งนั้นท่านพระอานน์ได้เข้าไปหาสันกตกะปริพาชคถึงที่อยู่สันกตกะปริพาชกจึงกล่าวเชื้อเชิญว่าท่านพระอานน์ขอเชิญท่านพระอานน์เข้ามาเถิดขอต้อนรับนานๆท่านพระอานน์จะมีเวลามาที่นี้ขอเชิญท่านพระอานน์จงนั่งเถิดอาสนะนี้ที่ปูลาดไว้แล้วขอรับท่านพระอานน์จึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้ว แม้สันตกะปริภาชกก็เลือกนั่งหน้าที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระอาณน์ได้ถามสันตกะปริภาชกว่าสันตกะบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ท่านพระอานน์เรื่องที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลานี้ของดไว้ก่อนเถิด เรื่องนั้นท่านพระอาณนนท์จักฟังได้ในภายหลังโดยไม่ยากดีละขอท่านพระอาณนนท์จงแสดงธรรมยีคาถาในลัทธิอาจารย์ของตนให้แจ่มแจ้งเถิดถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสันตกะปริภาชกรับคำแล้วท่านพระอานนท์เดียกล่าวว่าสันตกะละัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์สีลัทธินี้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 ลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ท่านพระอานนท์ตอบว่าสันตกะศาสดาบางท่านในโลกนี้ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงก็ไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคณ บิดาไม่มีคุณโอปปาติกะศาสก็ไม่มีสมณะพราหม์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกมนุษย์คือที่ประชุมแห่งมหาภูต ร, รูปสี่เมื่อสิ้นชีวิตธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรีย์ทั้งหลายย่อมแปรผันไปเป็นอากาศาธาตุมนุษย์มีเตียงนอนเป็นที่ห้านำศพไปร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูกขาวโพลนดวดสีนกพิราบการเส้นสวงสิ้นสุดลงแค่เท่าทานคนเขลาบัญญัตทานนี้ไว้คำที่คนบางพวกย้ำว่ามีผลนั้นว่างเปล่าเ ท, ท็จร้ายสาระเมื่อสิ้นชีวิต ไม่ว่าคนเขาหรือคนฉลาดย่อมขาดศูญไม่เกิดอีกในลทัทธิของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงก็ไม่มีผลผลวิปากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มี มารดาไม่มีคุณบิดดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัต์ก็ไม่มีสมณะพราหมผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วซ้อนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็ไม่มีในโลกมนุษย์เคอที่ประชุมแห่งมหาพูตธรูปสี่เมื่อสิ้นชีวิตธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้าธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมผันแปรไปเป็นอากาศธาตุมนุษย์มีเตียงนอนเป็นที่ห้านำศพไปร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูขาวโพลนดดสีนกพิราบการเส้นสวงสิ้นสุดลงแค่เท่าทานคนเขลาบัญญัติทานนิไว้คำที่คนบางพวกย้ำว่ามีผล น, นั้นว่างเปล่าเ ท, ท็จไร้สาระ เมื่อสิ้นชีวิตไม่ว่าคนเขาหรือคนฉลาดย่อมขาดศูนย์ไม่เกิดอีกถ้าคำของท่านศาสดานี้เป็นจริงในลทัทธินี้กรรมที่เราไม่ได้ทำเลยชื่อว่าเป็นอันทำแล้วพรหมจันทร์ที่เราไม่ได้อยู่ประพฤติเลยชื่อว่าเป็นอันอยู่ประพฤติแล้วแม้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นผู้เสมอเสมอกันและถึงความเท่าเทีเทยมกันในลทัทธินี้แต่เราไม่กล่าวว่า หลังจากตายแล้วแม้เราทั้งสองก็จะขาดศูนย์ไม่เกิดอีกการที่ท่านศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนศีรษะโลน้นทำความเพียนในการเดินกระยงถอนผมและหนวดเป็นการปฏิบัติเกินไปเราเมื่ออยู่ครองเรือนนอนเบียเสียดกับบุตรพัญญาประพรมผงแก่นจันเมืองกาสีทัศทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไลยินดีทองเลงเงินอยู่ จึงเป็นผู้มีคติเสมอๆ ก, กันกับท่านศาสดานี้เรานั้นรู้อะไรเห็นอะไรอยู่จึงจากประพฤติพรหมจรรย์ในศาสดานี้วินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ย่อมเบื่อนายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันตกะลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลย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 ศาสดาบางคนในโลกนี้ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองใชยให้ผู้อื่นทำตัดเองใชยให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใชยให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใชยให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใชยให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใชยให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปล่วเป็นชู้พูดเท็จผู้ทาเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดูดมิดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดูดลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้าคงคา ฆ่าเองช่ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองช่ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองช่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั um. e. ้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองช่ให้ผู้อื่นให้บูชาเองช่ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบุญมาถึงเขา ไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมและจากการพูดคำสัตย์ไม่มีบุญมาถึงเขาในลทัทธิของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองช่าให้ผู้อื่นทำตัดเองช่าให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองช่ให้ผู้อื่นเบียดเบียน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 แต่เราไม่กล่าวว่าหลังจากตายแล้วแม่เราทั้งสองก็จะขาดศูนย์ไม่เกิดอีกการที่ท่านศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนศรีรษะโลน้นทำความเพียรในการเดินกระยงถอนผมและหนวดเป็นการปฏิบัติเกินไปเราเมื่ออยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดกับบทพัญญาประพรมผงแขนจันเมืองกาสีทัทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล ยินดีทองและเงินอยู่จึงเป็นผู้มีคติเสมอๆกันกับท่านาศาสดานี้ในภพหน้าได้เรานั้นรู้อะไรเห็นอะไรอยู่จึงจากประพฤติพรหมจรรย์ในาศาสดานี้วินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ย่อมเบื่อน า, นายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันทกกะลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์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 ปานะภูตะชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรพันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกในลทัทธิของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า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 แต่เราไม่กล่าวว่าหลังจากตายแล้วแม้เราทั้งสองก็จะขาดศูนย์ไม่เกิดอีกการที่ท่านศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนศีรษะโล้นทำความเพียนในการเดินกระยงถอนผมและหนวดเป็นการปฏิบัติเกินไปเราเมื่ออยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดกับบุตรพัญญาประพรมผงแก่นจันเมืองก า, าสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ ยินดีทองและเงินอยู่จากเป็นผู้มีคติเสมอเสมอกันกับท่านาศาสดานี้ในพบหน้าได้เรานั้นรู้อะไรเห็นอะไรอยู่จึงจากประพฤกษพรหมจรในาศาสดานี้วินยูชนนั้นรู้ดังนี้ว่าลทัทธินี้ไม่ใช่การประพฤกษพรหมจร ย, ย่อมเบื่อนายเลีไปจากพรหมจรนั้นสันตกะละทัทธินี้ไม่ใช่การประพฤกิพรหมจร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 อีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสภาวะเจ็ดกองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลไม่มีผู้เนรมิตไม่มีผู้ให้เนรมิตยั่งยืนมั่นคงดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดไม่หวั่นไหวไม่ผันแปร ى, ไม่กระทบกระทั่งกันไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์ หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกันสภาวะเจ็ดกองอะไรบ้างคือ 1. กองแห่งธาตุดิน 2. กองแห่งธาตุน้ำา 3. กองแห่งธาตุไฟ 4. กองแห่งธาตุลม 5. กองสุข6กองทุกข์7กองชีวะสภาวะเจ็กองนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บรรดาลไม่มีผู้เนรมิต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 ใครก็ตามแม้จะเอาศตราอันคมตัดศีรษะใครก็ไม่ชื่อว่าปลงชีวิตใครได้เพราะเป็นเพียงศตราแทรกผ่านไประหว่างสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นเองอันหนึ่งกำเนิดที่เป็นประธานหนึ่งล้านสี่แสหกพันหกร้อกัมห้าร้อยกัมห้ากรมสามกัมกงปฏิปทาห2สบสองอันตระกับ 62, อภิชาติ6ปูริษภูมิ8อาชีวก 4,900 ปริภาชก 4,900 นาขวาท 4,900 อินทรีย 2,000 นรก 3,000 ระโชทาส36สัญญีคัณ7อสัญญีคัณน7นิคันถีคัณ7เทวดา7มนุษย์ 7, ปีศาจตร์7สะเจตาไม้ไผ่เจตาไม้ไผ่700้เฮลใหญ่ 7, เเฮน้อย700รมหาสุบินเจสุบินเจ0รและมหากับแป8ล้าน40ี่แสนเหล่านี้ที่คนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหวไปแล้วจากทําที่สุดทุกได้เองไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่า เราจากอบรมกายที่ยังไม่ให้ผลให้อำนวยผลหรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้วจากทำให้หมดสิ้นไปด้วยศีลพรตตะบะหรือพรหมจันนี้ไม่มีสุขทุกข์ที่ทำให้สิ้นสุดลงได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้เหมือนตวงด้วยธนานสังสารวัตที่จะทำให้สิ้นสุดไม่มีเลยด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีความเสื่อมและความเจริญ ไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงหรือเลื่อนลงต่ำพวกคนพานและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหวไปแล้วจากทำที่สุดทุกได้เองเหมือนกลุ่มได้ที่ถูกคว้างไปย่อมคลี่หมดไปได้เองฉะนั้นในลทัทธิของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ดังนี้ว่าท่านศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้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 เพราะเป็นเพียงศตร า, ทาแทรกผ่านไประหว่างสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นเองอันหนึ่งกเนิดที่เป็นประธาน1ล้านสี่แสกัหกรกรัมหกรัมหกรัมสกรัมกึงปฏิปทธา62อันตรกับ62อภิชาติ6ปุริสภูมิ8อาชีวก 4,900 กรปริภาชก 4,900 ร้ย นาควาด 4,900 ันเรอยินศีสองพันนรก3 0 0พันระโชธาสา6สสัญญีคันเจ็อสัญญีคันเจ็นิคันธีคันเจ็เทวดาเจ็มนุษย์เจปีศาจเจ็ 7, สะเจ็ตาไมา้ไผ่เจ็ตาไมา้ไผ่เจ0รเหวใหญ่เจ็เหวน้อยเจ0ดร้มหาสุบินเจ็ด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 ไม่มีสุขทุกข์ที่ทำให้สิ้นสุดลงได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้เหมือนตวงด้วยทนานสังสารวัตรที่จะทำให้สิ้นสุดไม่มีเลยด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงหรือเลื่อนลงต่าพวกคนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหวไปแล้วจากทําที่สุดแห่งทุกได้เองเหมือนกลุ่มได้ที่ถูกคว้างไปย่อมคลี่หมดไปได้เองฉะนั้น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 การที่ท่านศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนศรีรษะโลน้นทำความเพียรในการเดินกระยงถอนผมและหนวดเป็นการปฏิบัติเกินไปเราเมื่ออยู่ครองเรือนนอนเบียเสียดกับบทพัญญาประพรมผงแข่นจัน์เมืองกาสีทสัศงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่จึงเป็นผู้มีคติเสมอเสมอกันกับท่านศาสดานี้ในพบหน้าได้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 เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์สีลัทธิที่วินโยชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ว่าเป็นลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ท่านพระอานนท์พรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจสี่ประการที่วินโยชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลย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 สันตกะศาสดาบางคนในโลกนี้ตั้งตนเป็นสัพพัญยูรู้เห็นธรรมทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะย่อมปรากฏต่อเนื่องตลอดไปศาสดานั้นเข้าไปยังเรือนว่างบ้างไม่ได้ก้อนข้าวบ้างถูกสุนักกัดบ้างพบช้างดุบ้างพบม้าดุบ้าง พบโคดุบ้างถามถึงชื่อและโคดของหญิงบ้างของชายบ้างถามถึงชื่อและหนทางแห่งบ้านบ้างแห่งนิคมบ้างเมื่อถูกถามว่านี่อะไรก็ตอบว่าเราเข้าไปยังเรือนว่างด้วยกิจที่เราจำเป็นต้องเข้าไปเราไม่ได้ก้อนข้าวด้วยเหตุที่เราไม่ควรได้เรายังเป็นผู้ถูกสุนัข ก, กัดด้วยเหตุที่ควรถูกกัดเราพบช้างดุด้วยเหตุที่ควรพบ เราพบมาดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบโคดุด้วยเหตุที่ควรพบเราถามถึงชื่อและโคดของหญิงบ้างของชายบ้างด้วยเหตุที่ควรถามเราถามถึงชื่อและหนทางแห่งบ้านบ้างแห่งนิคมบ้างด้วยเหตุที่ควรถามในพรหมจรรย์ของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าท่านศาสดานี้ซึ่งตั้งตนเป็นสัพพัญยูรู้เห็นธรรมทั้งปวง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 แห่งนิคมบ้างศาสดานั้นเมื่อถูกถามว่านี่อะไรก็ตอบว่าเราเข้าไปยังเรือนว่างด้วยกิจที่เราจำต้องเข้าไปเราไม่ได้ก้อนข้าวด้วยเหตุที่เราไม่ควรได้เราเป็นผู้ถูกสุนักกัดด้วยเหตุที่ควรถูกกัดเราพบช้างดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบม้าดุด้วยเหตุที่ควรพบเราพบโคดุด้วยเหตุที่ควรพบ